บทความโดยคนข้างวัดเสียงอ่านโดยโจโฉงอปรุงเรื่องบันเจรจับตาลึกซึ้งแปล a b s o r